สำหรับโอปปปาติกะประเภทนี้ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรส่วนโอปปปาติกะที่ข้าพเจ้าติดต่ออยู่เสมอนั้นส่วนมากเป็นโอปปปาติกะชั้นเทพเจ้าคือโอปปปาติกะที่ได้ฌานหรือไม่ก็เป็นโอปปปาติกะชั้นปัญญาชนผู้ซึ่งเคยทำประโยชน์แก่โลกมามากท่านเหล่านี้สามารถให้คาแนะนตาตักเตือนชี้ช่องทางให้กาลังใจได้ดีมาก